นิพนธ์สมเด็จพระญานสังหนอนสมเด็จ พ, พระสังฆราชสุคุณมหาสังฆปริญายกสมณะจะอธิบายความใหม่พระโอวาทปาติโมกข์สืบต่อไปพระพุทธวาทาข้อที่สามนะฮิ ปัปพชิโตปรูปรคาตีสมโนโหติปรังวิเหทยันโตแปลว่าบรรพชิตคือนักบวชผู้ยังทําร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมมณะอีกอย่างหนึ่งแปลปฏิเสธทั้งสองคือแปลว่าบุคคลผู้ทําร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมมณะ ของพม่าเขาใส่ตัวน น, นูปฏิเสธในบาต ท, ที่สองด้วยเลยว่านาฮิปัปพัชิโตปรูปคาตีณสมโนโหติปรังวิเหถะยันโตแต่ในฉบับของไทยเราตัว น, นหนูปฏิเสธที่บาตหลังนี้ไม่มีโดยความก็เท่ากันผู้ที่เบียดเบียนผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นด้วยอํานาจของโลภะโทสะ โมหะหรือด้วยอำนาจของตัณหาไม่ควรจะเรียกว่าเป็นบรรพชิตที่แปลตามศัพท์ว่าผู้ออกซึ่งเป็นผู้งดเว้นจากบาปต่างๆไม่ควรจะเรียกว่าสมมณะที่แปลว่าผู้สงบบุคคลที่ควรจะชื่อว่าเป็นบรรพชิตควรจะเป็นผู้ออกจากกิเลสออกจากบาปด้วยตนเองหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อออกจากกิเลสออกจากบาปด้วยตนเอง คนที่ชื่อว่าสมณะก็เช่นเดียวกันควรจะเป็นผู้สงบกิเลสสงบปราบด้วยตนเองหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสงบดังกล่าวถ้ากิเลสยังไม่สงบก็จะต้องมีการทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นถ้ากิเลสนั้นรุนแรงบุคคลลุอําำนาจของกิเลสก็จะต้องทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาถ้ากิเลสนั้นไม่รุนแรงถึงอย่างนั้นมีอยู่เพียงในจิตใจ ก็จะทำร้ายผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นด้วยใจก็ยังชื่อว่าเบียดเบียนอยู่นั่นเองฉะนั้นจะเป็นบรัญรชิตได้เต็มที่จึงจำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติให้มีขันติดังกล่าวในพระพุทธวารข้อที่หนึ่งและได้มีนิพพานดังกล่าวในพระพุทธวารถข้อที่สองฉะนั้นเมื่อกล่าวสรุปประมวลเข้ามาแล้วพระพุทธวารข้อที่หนึ่งและสองแสดงธรรมพระพุทธวารข้อที่สามนี้ แสดงบุคคลที่มีธรรมนั้นแต่แสดงในรูปปฏิเสธว่าถ้าบุคคลปราศจากธรรมดังกล่าวนั้นก็ยังจะต้องทำร้ายผู้อื่นยังจะต้องเบียดเบียนผู้อื่นแม้ด้วยใจถ้าเป็นดังนั้นก็ไม่ชื่อว่าเป็นบรรปชิตไม่ชื่อว่าเป็นสมณะหรือจะพูดอย่างธรรมดาว่านักบวชที่ยังเป็นเช่อ น, นั้นอยู่ยังไม่ชื่อว่าเป็นสัมมณะคือผู้สงบในทางพระพุทธศาสนาได้ แ, แสดงสมมณะไว้สี่ชั้น มุ่งถึงการบรรลุธรรมเป็นเกณฑ์ไม่มุ่งถึงเพศว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นปรญญาินหรือเป็นคราห์ติสมมนาหนึ่งได้แก่พระโสดาบันสัมมนที่สองได้แก่พระสกัดทาคามีสัมมนที่สามได้แก่พระอนาคามีสัมมนที่สี่ได้แก่พระอรหรันสัมมนาทั้งสี่ชั้นนี้ที่เรียกว่าสังโคคือพระสงฆ์ซึ่งเป็นรัตนนาที่สาม และเป็นสรณะที่สามเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธวาทดังนี้แล้วจึงได้ทรงย่อพระพุทธศาสนาในพระคถาพิงหมดหนึ่งต่อไปว่าสัพพปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุสลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยธปนังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วเอตังพุท ธ, ธานะ ศาสนานี้เป็นพุทธศาสนาคือคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายด้วยพระคถาบทนี้ได้ทรงประมวลข้อปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาไว้เป็นสามข้อโดยย่นย่อคือ 1. ไม่ทำบาปทุกอย่าง 2. ทํทำกุศลให้ถึงพร้อม 3. ชําำระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วในชั้นนี้ยังไม่ได้ส่งชี้ว่าอะไรเป็นบาป อะไร <S <S <an> <S เป็นอกุสลเพราะได้ทรงสอนแก่พระสาวกซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นท่านก็ย่อมทราบโดยเหตุผลทั่วๆไปการทำจิตของตนให้ผ่องใสก็ไม่ได้ทรงแสดงวิธีไว้เช่นเดียวกันแต่ท่านก็ย่อมทราบเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้เป็นผู้ปฏิบัติมาแล้วครบทุกประการฉะนั้นเมื่อนำมากราวจี้จุดลงไปเป็นการประมวลความท่านก็ย่อมทราบได้ทันที ไม่ตอนหลังพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้โดยชัดเจนว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นกุศลเพราะฉะนั้นบุคคลในชั้นหลังจึงได้ทราบและปฏิบัติได้โดยไม่ยากดังเช่นได้ทรงชี้ว่าเวรห้าหรือภัยห้าประการเป็นบาปเป็นอกุศลได้แก่การฆ่าเขาการลักของเขาการประทุษผิดในทางกามการพูดเท็จการดื่มน้ําเมา เราได้ทรงแสดงกรรมบทในทางแห่งกรรมที่เป็นอกุศลไว้สิบข้อที่จําแนกออกเป็นกายกรรมฝ่ายอกุศลโภชีกรรมฝ่ายอกุศลโนโนุกรรมฝ่ายอกุศลและแสดงมูลของอกุศลที่เรียกว่าอกุศน ล, ลมูลแสดงผลของอกุศลที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆบาปอกุศนทั้งหมดเหล่านั้นพระพุทธศาสนาแสดงไว้ว่าไม่ให้ทําและแสดงไว้ว่า บุคคลสามารถที่จะไม่ทำได้ในด้านตรงกันข้ามคือกุศลทางพระพุทธศาสนาก็แสดงไว้ชัดเจนเหมือนกันตัวกุศลก็ได้ทรงแสดงไว้ในกุศลกรรมบทสิบที่ตรงกันข้ามกักบอุศลกรรมบทสิบมูลของกุศลเรียกว่ากุศ ล, ลมูลก็ทรงแสดงไว้ผลของกุศลคือความสุขต่างๆก็ทรงแสดงไว้นอกจากนี้คุณงามความดีทุกอย่าง ดังที่แสดงไว้ในนวโกวาทตั้งแต่ทุกกะหมวดสองเป็นต้นว่าพรหมวิหารธรรมสี่คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานี่ก็รวมเรียกว่าเป็นผู้สนทั้งนั้นผู้สนนี้พระพุทธศาสนาแสดงให้ปฏิบัติให้มีให้เป็นขึ้นโดยบริบูรณ์และแสดงว่าบุคคลสามารถที่จะปฏิบัติได้ การที่จะไม่ทําบาปอกุศลและการที่จะทํากุศลก็เกี่ยวด้วยจิตใจเป็นสําคัญฉะนั้นในข้อที่สาจึงได้แสดงให้ชำระจิตใจของตนให้ผองแผ้วจึงควรทําความเข้าใจเรื่องจิตใจพระพุทธศาสนาโดยยอ่อคําว่าจิตนั้นได้เคยแสดงมาครั้งหนึ่งแล้วว่าหมายถึงธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างสีสังขารไม่ใช่รูปไม่ใช่นาม อาศัยอยู่ในคูหาคือร่างกายนี้เป็นผู้ประสาทการทุกอย่างเป็นต้นว่าทําให้สําเร็จความนึกคิดต่างๆทําทให้เกิดเจตนาซึ่งเป็นตัวกรรมต่างๆและเป็นตัวผู้สร้างหมองหรือผ่องแพ้วเป็นตัวผู้ข้องเกี่ยวหรือว่าหลุดพ้นมีลักษณะอย่างหนึ่งคือเป็นตัวท่ารู้ได้แก่เป็นเบื้องต้นหรือมูลฐานของความรู้ทุกๆอย่างได้มีพระบาลีแสดงธรรมชาติจิตไว้ว่า จิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนที่แปลว่าผุดพองนี้เป็นธรรมชาติแท้ของจิตบางคนแปลว่าจิตเดิมเป็นธรรมชาติประพัดสอนใส่คำว่าเดิมเข้ า, า, ขขามาด้วยก็ทําทให้หมายความว่าจิตต่อมาไม่ประพัดสอนแต่ในพระบาลีท่านไม่มีคําว่าเดิมหมายความเป็นตัวธรรมชาติของจิตทีเดียวเหมือนอย่างทองคําที่เป็นธรรมชาติผุดพองหรือว่าเพชรที่มีธรรมชาติผองใสหรือผุดพอง เมื่อเป็นทองคาหรือเป็นเพชรก็ต้องมีลักษณะอย่างนั้นเป็นประจำจิต ก, ก็ต้องมีลักษณะประพัสสอนคือผุดผ่องเป็นประจำแต่ว่าจิตนี้ผู้อุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองที่เป็นอคันตุกะคือจรเข้ามาทําให้เศร้าหมองไปกิเลสสามชั้นในที่นี้พึงสังเกตคาว่าอุปกิเลตกับคำว่าอาคันตุกะในที่ทั่วไปใช้คาว่ากิเลสแปลว่า เครื่องเศร้ามองแต่ในที่นี้มีคําว่าอุปาเป็นบทหน้าอุปาแปลว่าเข้าหรือเข้าไปบ่งความว่าเครื่องเศร้าหมองนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่ประจําจิตเป็นธรรมชาติของจิตแต่ว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาหรือเข้าไปเป็นอคันตุกะคือเป็นผู้จรมาหรือเป็นแขกผู้พักอาศัยอยู่กับจิตต้องการที่จะแสดงไงอันนี้ให้ชัดว่ากิเลนั้น ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่ประจำจิตแต่เป็นของที่เป็นอคันตุกะเป็นแขกจอเข้ามาจึงได้ใช้คำว่าอุปปัตประกอบเข้าด้วยอันนี้เป็นเรื่องในพระพุทธศาสนาที่แสดงว่าจิตกับกิเลสเป็นคนละอันกิเลสไม่ใช่เป็นธรรมชาติของจิตเป็นอคันตุกะของจิตเท่านั้นฉะนั้นไม่บทต่อไปจึงได้แสดงไว้แต่ว่าจิตนั้นก็วิมุตติคือหลุดพ้นจากอุปปัตทั้งหลายได้เหมือนกัน และเมื่อจิตวิมุตติคือหลุดพ้นจากอุปกิเิเลสทั้งหลายได้แล้วธรรมชาติที่ประพัฒสอนคือความฝุดผ่องของจิตก็ปรากฏเต็มที่เหมือนอย่างทองคำที่ถูกะสมด้วยแร่ธาตุต่างๆมอนนำมาหล่อล้อมไล่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปก็เหลือแต่ทองคำที่มีเนื้อบริสุทธิ์หรือว่าเหมือนอย่างเพชรทีท่ห่อขุ้มเปลือเปื้นความฝุดผ่องของเพชรไม่ปรากฏ เมื่อมาชำระล้างสิ่งที่ห่อเปลือเปื่อนหมดแล้วหรือจิตนายขัดสีดีแล้วรสมีของเพชรก็ปรากฏจิตก็เป็นเช่นั้นเหมือนกันอุปกิเลคือเครื่องเศร้าหมองของจิตนั้นเข้ามาได้ทางไหนอย่างไรในพระพุทธศาสนาตอนหลังได้มีแสดงไวในพระสูตรหลายพระสูตรโดยความว่าอุปาเเลนั้นเข้ามาทําจิตให้เศร้าหมองทางอารมณ์อารมณ์ก็ได้แก่ เรื่องที่จิตคิดดำริเรื่องที่จิตหมกมุ่นอยู่ก็ได้แก่รูปอารมณ์อารมณ์คือรูปที่ผ่านเข้ามาทางจักขคุทวานประตูคือจักรสุสัทธารลมอารมณ์คือเสียงที่ผ่านเข้ามาทางโสทวานประตูคือหูคันธารลมอารมณ์คือกลิ่นที่ผ่านเข้ามาทางคานทวานประตูคือจมูกรสารมอารมณ์คือรสที่ผ่านเข้ามาทางชิวหาทวาน ประตูคือลิ้นผดทับพาลมอารมณ์คือผดทัพพะสิ่งที่กายถูกต้องที่ผ่านเข้ามาทางกายทวานประตูคือกายธรมารมณ์อารมณ์คือเรื่องรูปเสียงกลิ่นเป็นต้นนาดีดที่ผ่านเข้ามาทางมโนทวานประตูคือใจอารมณ์เหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะหรือโลภก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโทสะก็มีเป็นที่ตั้งแห่งโมหะก็มี เมื่อเป็นที่ตั้งแห่งราคะหรือโลภะผ่านเข้ามาราคะหรือโลภะก็เกิดขึ e ้นในจิตเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งโทสสะผ่านเข้ามาโธสสะก็เกิดขึ้นในจิตเมื่อเป็นที่ตั้งแห่งโมหะผ่านเข้ามาโมหะก็เกิดในจิตราคะหรือโลภะโธสสะและโมหะที่เกิดขึ้นในจิตนั้นปรากฏในความรู้สึกของทุกๆคนคือเมื่อเกิดราคะหรือโลภะขึ้นตนเองก็รู้สึกว่า เรามีราคะหรือโลภะโทสะและโมหะก็เช่นเดียวกันกิเลชั้นนี้เรียกว่าปริยุทถฐานะคือกิเลสที่เป็นเครื่องกร่มรุมจิตหมายถึงว่าเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นกร่มกัดอยู่ในจิตเป็นที่รู้สึกคราวนี้กิเลชั้นที่กลายร่วมอยู่ในจิตนี้ถ้าถูกยัวยให้แรงขึ้นก็กบเริ่มมากขึ้นจนถึงเป็นตัวอกุศลมูลคือเป็นตัวก่อกรรมทางกายทางวาจา ทางใจถ้าหากว่ากรำเริ่มขึ้นจนถึงเป็นตัวอักษรมูลคือเป็นตัวก่อกรรมก็เป็นกิเลสอย่างแรงมีชื่อเรียกว่าวิติกะกรรมกิเลสกิเลสที่ทําให้ล่วงละเมิดคือไม่ใช่ว่าเก็บอยู่ในใจเท่านั้นล่วงละเมิดไปแล้วคือว่าก่อกรรมไปแล้วออกไปนอกขอบเขตของความดีความชอบแล้วคราวนี้ถ้าบุคคลระงับไว้ได้ไม่ให้เป็นวิติกะกรรมกิเลส หรือไม่ให้เป็นตัวอกุสลมูลก่อกรรมก็คงร่วมกรัดอยู่ในจิตเป็นตัวนิวรคือเป็นตัวกั้นไม่ให้บรรลุคุณงามความดียิ่งขึ้นไปแต่กิเลสเหล่านี้ก็มีเวลาสงบคนเราถึงจะมีราคะหรือโลภะสักเท่าไหร่ก็มีเวลาสงบโทสะก็มีเวลาสงบโมหะก็มีเวลาสงบสงบไปโดยธรรมดาที่ว่าทุกสิ่งมีเกิดมีดับหรือว่าสงบด้วยการปฏิบัติแม้ว่าจะสงบไปแล้ว แต่ก็ไม่หมดตะกอนของกิเลสนั้นก็ここยังตกไปนอนจมเป็นส่วนลึกของจิตกล่าวคือเมื่อราคะสงบไปแล้วตะกอนของราครา ะ, กะก็ยังไปนอนจมอยู่ในจิตเรียกว่าราคานุสัยอันุใสกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตคือราคะโทสะเมื่อสงบลงไปแล้วตะกอนของโทสะก็ยังไปนอนจมอยู่ในจิตเรียกว่าปฏิคานุัยอนุสัยคือปฏิคะ ความกระทบคือความไม่ชอบเมื่อความหลงสงบไปแล้วตะกอนของความหลงก็ลงไปนอนจมอยู่ในจิตเรียกว่าอวิชชาอนุัยอนุสัยคืออวิชชาความไม่รู้จริงฉะนั้นคนเราที่ประสบอารมณ์ก็เกิดราคะหรือโลภะโทสะโมหะกันอยู่เสมอเสมอและก็สงบกันดูเสมอเสมอแต่ว่าตะกอนของกิเลสเหล่านี้ก็ยังไปนอนจมเป็นอนุสัยอยู่ในจิตพ่อพูนอยู่เสมอ กิเลชัน้นอสัยนี้ไม่ปรากฏที่เปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มน้ําในตุ่มที่มีตะกอนนอนก้นตุ่มอยู่นั้นดูก็ใสในเบื้องบนแต่ก็ใสในเวลาที่ไม่ถูกกวนรั้นถูกกวนตนตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ําก็จะขุนจิตก็เหมือนกันเมื่อยังไม่ถูกอารมณ์มยุ่งจิตก็ดูบริสุทธิ์แต่ครั้นถูกอารมณ์มายั่วกิเลที่เป็นตะกอนนี้ก็ฟุ้งขึ้นมาจิตก็ขุนมัว จะอธิบายหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาต่อไปในหลักข้อสามให้ชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วจิตผ่องแผ้วนี้เป็นฝ่ายหนึ่งจึงต้องอธิบายถึงจิตเศร้าหมองที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามเมื่ออธิบายถึงจิตเศร้าหมองต้องว่าถึงอุปกิเลสและก็อธิบายแล้วว่าทําไมในที่นี้จึงมีคําว่าอุป ร, รวมความก็เพื่อแสดงว่ากิเลสคือเรื่องเศร้าหมองนั้นเป็นเรื่องที่จอนเข้ามา เป็นอคนตุกะคือเป็นแข่ของจิตไม่ใช่เนื้อแท้ของจิตเพื่อจะเน้นให้เข้าใจเงื่อนไขอันนี้จึงใช้คำว่าอุปปัเข้าในที่นี้ด้วยแต่โดยทั่วไปก็ใช้คำว่ากิเลสและก็ได้อธิบายแล้วถึงกิเลสว่ามีลักษณะเป็นชั้นๆอย่างไรปากทางที่จะทำให้เกิดกิเลกก็คืออารมณ์ทำให้เกิดริยตตะฐานกิเลสกิเลสที่รุงจิตรุมรุมจิ ต, จตทาให้จิตรุ่มระด เมื่อแรงออกมาก็เป็นวิติกามกิเลสกิเลสที่ทําให้ลุ่งละเมืดและเมื่อกิเลสเหล่านี้สงบไปโดยธรรมดาหรือด้วยการปฏิบัติแต่ยังมีตะกรอนนอนเป็นเชื้ออยู่เรียกว่าอนุัยนอนเนื่องหรือแอบแมบนี้เป็นสรุปความที่ได้อธิบายไปแล้วในคราวนี้ได้ย้ำความโดยกล่าวทบทวนตั้งแต่ต้นเงื่อนออกมาหรือตั้งแต่ละเอียดออกมาหายาบกิเลสที่เป็นต้นเงื่อนหรือที่เป็นส่วนละเอียดนั้นได้แก่ อนุสัยคือราคาอนุสัยอนุสัยคือราคะความติดปฏิคานุสัยอนุสัยคือปฏิคะการกระทบหมายถึงความไม่ชอบอวิชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือความรู้ไม่จริงนี้เป็นส่วนละเอียดเมื่ออนุสัยนี้ฟุ้งออกมาราคาอนุสัยก็ฟุ้งออกมาเป็นราคะควรจะแปลว่าความยินดีหรือความกำหนับปฏิคานุสัยก็ฟุ้งออกมาเป็นโทสะ คือความขัดเคืองโทสะในชั้นนี้หมายถึงความโกรธที่มีอยู่ในใจโทสะแปลว่าประทุษร้ายจึงประทุษร้ายใจของตนเองยังไม่ถึงให้ออกไปคิดทําร้ายผู้อื่นอวิชชานุสัยก็พุงออกมาเป็นโมหะความหลงที่ทําให้เห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดราคะโทสะโมหะเป็นชั้นปริยุตธธิฐานะที่กลุ้มรุมหรือกลุ้ ม, ม, มกัดจิตใจอยู่ปรากฏอยู่บุคคลก็รู้สึกอยู่ ต่อจากนี้ราคาเมื่อแรงขึ้นก็เป็นอภิชชาความโลภเพ่งเล็งหมายถึงความอยากได้อย่างแรงจนถึงคิดมุ่งจะได้มาเป็นของของตนโทสะแรงขึ้นก็เป็นพยาบาทตามศัพท์แปลว่าถึงผิดตามความหมายนั้นหมายถึงความมุ่งร้ายคือความโกรธที่แรงออกมาจนถึงคิดจะทําร้ายผู้อื่นถ้ายังไม่คิดทําร้ายใครคัดเคืองอยู่ในใจก็เป็นโทสะแต่ว่า ถ้าคิดจนถึงทำร้ายผู้อื่นก็เป็นพยาบาทไม่ใช่หมายความว่าผูโกรธเหมือนอย่างที่พูดในภาษาไทยโมหะแรงขึ้นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคือเห็นผิดเป็นชอบเห็นชอบเป็นผิดที่ให้ถือเอาผิดความเห็นผิดนี้เช่นเห็นว่าบุญบาปไม่มีทําอะไรลงไปก็สัตว์แต่ว่าเป็นกริยาแต่ว่าไม่เรียกว่าเป็นการทําบุญทําบาปเห็นว่าผลทุกๆอย่างไม่มีเหตุ เกิดขึ้นเองตามสิ่งอํานวยหรือตามบางเอื่นและเห็นว่าสิ่งที่สมมุติกันนับถือกันอยู่ต่างๆก็ไม่มีเช่นพ่อแม่ก็ไม่มีคือว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่จะต้องนับถือว่าเป็นพ่อแม่อย่างไรเป็นแต่เพียงผู้ที่เกิดมา ก, ก่อนและก็เกิดสืบสืบกันมาคล้ายๆว่าเป็นเรื่องธรรมชาติคนดีคนชั่วก็ไม่มีผลต่างๆที่เป็นส่วนดีส่วนชั่วก็ไม่มีเป็นการปฏิเสธหมด เหล่านี้เรียกว่าเป็นการเห็นผิดอย่างร้ายแรงเป็นความเห็นผิดจากกรองธรรมอภิชยาพยาบาทวิชชาทิฏฐิทั้งสมนี้เป็นวิติกกรรมกิเลสคือเป็นกิเลสที่จะทําให้ล่งละเมิดทางกายทางวาจาและตัววิติกกรรมกิเลสนี้เองก็เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลแปลว่าเป็นกิเลสอย่างแรงที่ลุ่มมโนทวารออกมาทีเดียวและเมื่อเกิดมโนธรรมฝ่ายอกุศลดังนี้ก็เป็นเหตุให้ประกอบกายกรรม วจีกรรมฝ่ายอากุศลตามไปด้วยพระพุทธภาสิจึงได้มีแสดงเอาไว้โดยความว่าทำทั้งหลายมีมณะเป็นหัวหน้ามีมณะประเสริฐสำเร็จด้วยมณะถ้าบุคคลมีมณะอันโทษประทุษลายแล้วจะพูดหรือจะทำทุกย่อมติดตามไปเหมือนยางล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคที่จงเกวียนนั้นไปแต่ถ้าตรงกันข้าม บุคคลมีใจผ่องแพ้่จะทำหรือจะพูดสุขก็ย่อมติดตามไปเหมือนอย่างเงาที่ไม่ละตัวรวมเป็นกิเลสสามชั้นนับจากหยาบไปหาละเอียดก็คือวิติกรมะกิเลสปริยุทธะฐานะกิเลสอนุัยกิเลสโปรดติดตามรับฟัง45ภพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยานสั ง, งวรสมเด็จพระสังฆราช ทุกนมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป